ตอนนี้ต่อเกี่ยวในเรื่องของการว่าที่ทอุปมาเมื่อเกวียนเนี่ยนะในคําอุปมาเนี่ยอุปมาเหมือนคําที่เรียกว่าเกวียนไปเกวียนหยุดอย่างที่ได้กล่าวเนี่ยที่บอกเกวียนเนี่ยเหมือนกายเพราะอาจจะว่าไม่รู้อารมณ์ไม่มีเจตนารูปก็ไม่รู้อารมณ์นะจิตตฉวาโยธาตตัวจิตตฉวาโยธาตเนี่ยคือธาตุโย ม, มันเหมือนโคที่ลากเกวียนรูปไม่รู้อารมณ์ไม่มีเจตนา จิตเหมือนนามเหมือนสารถีผู้ขับเคลื่อนามมีเจตนานามสามารถรู้อารมณ์ได้ฉะนั้นเวลาจิตคิดว่าเราจะเดินวาโยธากขอให้เกิดกายวิญญาต์พอพูดถึงกายวิญญาตเนี่ยมันเป็นชื่อของของรูปนีถ้าผู้ศึกษาพระพิธรรมเนี่ยเขาเรียกการขยับเขยืนเคลื่อนไหวกายไอตัวการทําให้กายเคลื่อนไหวได้เขาเรียกกายวิญญาต์โดี่เป็นจิตตชรูปทีนี้กายวิญญาต์คือการเคลื่อนไหวกระติกกายทุกส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของรูปกายเนี่ย อันนั้นเรียกว่ากายยะวิญญาตแต่ถามว่าอะไรเป็นตัวเคลื่อนก็คือดินน้ำไฟลมเป็นต้นเะนะี่ยเป็นตัวเคลื่อนเนื้อสรุปก็คือดินน้ำไฟลมที่ไปไปสมมุติเรียกว่าผมในขนก็มีดินน้ำไฟลมในเล็บก็มีดินน้ำไฟลมเนะี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตตับปอดไต ใ, ใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง ดีเสลิดหนองเลือดเหนือมันคข้นน้ำตาเปลยลมันเป็นต้นเหล่านี้ในร่างกายเนี่ยสรุปก็คือดินน้ำไปลมที่เกิดจากกรรมดินน้ำไปลมที่เกิดจากจิตดินน้ำไปลมที่เกิดจากอุตูดินน้ำไปลมที่เกิดจากอาหารประชมกันเป็นรูปกายทั้งหมดฉะนั้นการาะกายที่เคลื่อนไหวได้นั้นน่ะเขาเรียกว่ากายเยวิญยักการเคลื่อนไหวกายทีนี้การเคลื่อนไหวกายที่จะเป็นไปได้นั้นมีจิตตะชวายโยธาคือธาตุลมพัดผันอยู่ภายใน แล้วก็มีจิตที่จะคิดจะเคลื่อนไหวใช่ไหมทีนี้ถามว่าอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยก็ปารกปารกสีเช่นว่าเอออยากจะกลับบ้านก็คิดถึงบ้านบ้านที่ยาอาัถะรูปร่างสัญฐานของบ้านรูปารมณ์ของบ้านนี่แหละเป็นอารมณะปัจจัยทําให้เรามีความปรารถนาจะ ก, กลับบ้านใช่ไหมอารมณ์คือบ้านนั่นแหละเป็นปัจจัยให้จิตคิดจิตก็คิด วาโยธาตุก็เกิดวาโยุธาตุก็พัดผันทำให้อยาบทเดินเป็นต้นกลับไปบ้านเห็นไหมมีอารมณ์เป็นปัจจัยจตจิตจิตเป็นปัจจัยจะวายธาตุลมธาตุลมก็เป็นปัจจัยยาบทเดินแล้วก็กลับบ้านแล้วอยู่นานแล้วเห็นไหมเป็นต้นบางครั้งก็เสียงบางทีก็เสียงเรียกกระเดปนาร์บเสียงก็เป็นปัจจัยการเดิน บางคนก็ปลาร์กลิ่นก็เป็นปัจจัยการเดินบางคนก็ปลาร์รถรถเได้เวลาเวลากินแล้วหมดเรียกใช่ไหมถ้านั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยต้องเดินไปตรงโ น, น้นเนี่ยใช่ไหมแต่ถามว่ารู้หรือเปล่าใช่ไหมรู้ชัดหรือเปล่ารู้ชัดกิตที่คิดรู้ชัดอิยาบทเดินรู้ชัดวายโยธารู้ชัดวายโยธารู้ชัดอิยาบทที่เดินไปด้วย ล, ลืม ใช่ไหมใช่ไหมท่านตอนนี้ม <ś> ันมันเป็นชีวิตจริงนะเป็นชีวิตจริงที่เราเราใช้นะแต่ว่าถามามันมีคนอยู่สองกลุ่มอะคนเจริญสติปัฏฐานกับคนไม่เจริญถ้าคนเจริญสติปัฏฐานเขารู้อย่างเนี้ยแต่ถ้าคนไม่เจริญรเขาไม่รู้หรอกเขาก็รู้เพรา็สําคัญว่าเขาเดินเขากินอาหาร เขาบอกสำคัญว่ามีสัตว์มีบุคคลมีหญิงมีชายเดินไปกินใช่ไหมคนที่เขาไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยแต่กลุ่มคนที่เขาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาไม่ได้สําคัญอย่างนั้นเขาสําคัญว่าอาหารเนี่ยอาหารนี่เป็นอารมณปจัจจัยแกเขาบางครั้งไม่ใช่เป็นอารมณปัจจัยธรรมดาเนี่ยรส า, ารมคือรสข อ, องอาหารเนี่ยเป็นอารมณนาธิปดีด้วยเป็นอารมณูนูนิสยะมีความต้องการอย่างยิ่งด้วยเขารู้ด้วยใช่ไหม เพราะตอนนั้นตันหาเป็นปัจจัยตันหาไปรับรสของอารมณ์ไปน้อมแล้วอ่ะกาแฟมืดเนี่ยอร่อยมากแล้วมีขนมปังด้วยสมมุติอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วแต่ฟังทำอยู่อย่างนี้ลําบากเนี่ไอ้ตันหาก็ทํางานจิตก็คิดเข้าใจไหมเป็นอรรมานาธิปดีเป็นอรนราามานูปนิสยาเป็นอรรมนัปัจจัยสามปัจจัยเล้นียเนี่ย ทำให้จิตนั้นโหเข้มแข็งมากขึ้นการเดินผิดปกติแล้วตอนเนี้ยจากการเดินช้าๆไม่ได้ช้าแล้วเต็มที่แล้วเข้าใจอ่ะเดินเร็วผิดกว่าเดิมแล้วอันนี้เขาเรียกตัณหาเป็นปัจจัยแก่การเดินมีอะไรมีโลภะเหตุเป็นปัจจัยแก่การเดินไหมมีโลภะเหตุเกิดในจิตโลภะเหตุนั้นมีอาหารเป็นอารมณ์ใช่ไหมมีอาหารเป็นอารมณ์ปัจจัยเป็นอารมณ์อธิปดีด้วย แล้วก็เดินเดินไปบอกถ้าเดินช้าเดี๋ยวคนอื่นกินหมดสมมติเนี้ยนะเขไปเดิเสร็จในขณะที่นี่เดินก็รู้แบบปัญหารู้ว่าเราต้องรีบเดินมีเราหมดเลยาะเนี้ยเราต้องรีบเดินเราต้องรีบเดินถ้าเดินช้าจะไม่ไหวแล้วหิวจัดแล้วถามอย่างนี้รู้ไหมรู้แบบปัญหารู้อย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้ชัดถ้ารู้ชัดนะต้องรู้โดยสติต้องประชัญญารู้ชัดว่าอ่านไ้ไหม ตันหาเกิดปุ๊บก็กําหนดรู้จีใหม่เราเป็นทาตมันมานานแล้วถ้าตันหาเกิดจ้นนั่งอย่างเงี้ยถ้าตันหาดับเมื่อไรใครควรเห็นความจริงเมื่อไร่ถ้าจะไปขอไปด้วยสติสัมปชัญญะเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าอย่างเงี้ยเริ่มชัดแล้วไม่ได้ไปเดิ่มหน้าของตันหาสมาทานในใจว่าตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปถ้าตันหาบงการเข้าไปเจ้าเข้าไปเจ้าจะไม่ทําตามอีกแล้วเข้าใจยังเ้าเียเพราะสมาทานไว้ในการที่จะขจัดตันหา อันนี้ใหม่แล้วใครจะใช้ขอให้ได้กินใช่ไหมเพราะวัตถุประสงค์คือได้กินเหมือนกันใช่ไหมตัณหาใช้ก็ได้กินปัญญาใช้ก็ได้กินแต่จริงๆมันต่างถ้าตัณหาใช้เราก็เป็นทาตของตัณหาอยู่ล่าไปแล้วกินด้วยปัญญาก็ได้นี่กินด้วยสติสัมปชัญญะก็ได้เนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ต่อไปตัณหาก็เริ่มมีบทบาทน้อยลงมันเหมือนว่าสรีร้ายยนเนี่ยเหมือนรถยนต์ใช่ไหมนคนขับเนี่ยเราจะให้ตัณหาขับหรือจะให้สติสัมปชัญญะขับ ถ้าให้สติสัมปชัญญะมาเป็นตัวขับเคลื่อนการใช้กิริยาการนี้ก็ใช้ด้วยเหตุผลของปัญญาแต่ถ้าใช้ตัณหาใช้โลภะใช้โมหะใช้โทสะมามาขับเคลื่อนเหตุผลมันก็เป็นเหตุผลที่เป็นไปกับตัณหามานันได้พิสิทธิ์มันมีเหตุผลนะไม่ยังไมนมีเช่นโลภะมันก็มีโมหะเหตุก็มีโลภะเหตุโทสะมันก็มีโทสะเหตุมีโมหะเหตุไอ้โมหะมันก็มีโมหะเหตุ ฉะนั้นคนโลภคนโกรธคนหลงอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีเหตุผลแต่เขามีเขาไม่มีเหตุผลของปัญญาเท่านั้นแหละใช่ไหมเราจะไปบอกว่าคนทําชั่วไม่มีเหตุผลไม่ได้เขามีเหตุผลของหวาดของความโลภบ้างเหตุผลของความโกรธความหลงแต่ว่าเราจะใช้เหตุผลของอะไรแล้วเหตุผลของอันนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยความ้นทุกข์แต่ต้องเหตุผลของปัญญาเหตุผลของความไม่โลภเหตุผลของความไม่โกรธ ทั้งจะเป็นปัจจัยความเป็นทุกข์เราเข้าใจความจริงตรงนี้เบดเสร็จก็ใช้ชีวิตถูกบ้างแล้วอย่านี้เขาเรียกมานัสสิการเป็นมานสิการเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิกานแต่ถ้าคิดไม่เป็นอย่างนั้นนะมานัสิการผิดอย่างนั้นเขาเรียกอโยนิโสมนัสิกานชีวิตก็จะเป็นไปอย่างนี้บอกว่าบางครั้งเราก็ปลารบลูกใช่ไหมปลารบเสียงปลารบกลิ่นปลารบรสปลารบสัมผัสแล้วก็คิดนึกเรื่องราวโครงการต่างๆแล้วก็ปลารบในการยืนบ้าง ในการเดินบ้างในการนั่งบ้างในการนอนบ้างเป็นต้นถามว่าชีวิตของคนปรฏิเจริญสติปัฏฐานกับไม่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันต่างกันตรงไหนต่างตรงไหนสรุปไล้อย่างเดียให้ต่างกันตรงไหนคนไม่เจริญสติปัฏฐานเขาก็มีการยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมคนเจริญสติปัฏฐานก็มีการยืนเดินนั่งนอนต่างกันตรงว่าประชานติใช่ไหมรู้ชัดรู้รอบรู้ทั่วรู้เหตุผลรู้ปัจจัย นันรู้จริงหรือเปล่าตรงนั้นถ้ารู้จริงตรงเนี้นี่นคือคนกลุ่มของคนเจริญสติปัฏฐานนั้นมนุษย์ของนั้นเขาแทรกกันอยู่เงี้ยมันก็พลนกันอยู่เนี่นแต่มีอยู่สองกลุ่มที่เดินผักไฟกันไปมาในโลกใบ น, นี้เนะยกลุ่มหนึ่งเจริญสติปัฏฐานร้อยละหนึ่งเปอร์เซ็นเจริญสติปัฏฐานที่สมมุติอย่านี้นอาจจะมีนะร้อยคนมีเจริญสติปัฏฐานสักคนกันับว่าบุญแล้วกลัวไม่ถึงใช่ไหมประชากรในในประเทศไทยหกสิบห้าล้านคน ถ้าร้อยละหนึ่งเป็นจำนวนเท่าไหร่เอาเอาหกสิบล้านเนี่ยมีคนเจริญสศรษฐานเท่าไหร่ถ้หกสิบล้านคนถ้าสมมติร้อยละหนึ่งคนร้อยคนมีเจริญหนึ่งคนเนีสรุปแล้วมีกี่คนเนี่ยถ้าหกสิบล้านเนี่ยหนล้ากแสนหกเปอร์เนต์หแสนเี่นนี่หกแสไม่ถึงแน่เล เพราะพระในประเทศไทยมีแสนกว่าลูกจบเลยเนี่ยน่าจะสองศูนย์จุดหนึ่งจุดหนึ่งันก็ไม่ไเป <c oughs> ็นไรคือขา ด, ดแต่มันเป็นอย่างนี้นะพระที่เ็าเจริญกันยกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมเนี๋ยต่อไปว่าเจริญสัมปชัญญะบาปไปรู มีอีกครั้ง yup. หนึ่งท่านสนนากับลูกศิษย์กับทพานเนี่ยสนนาเบลเสร็จพวกท่านเอื้อมือไปเนี้ยแล้วท่านชักกลับใหม่แล้วค่อยๆเอื้อมไปใหมถ้าถามพระเถระทำไมท่านทําอย่างนี้ก็บอกตั้งแต่ผมมานาจิกานมาผมไม่เคยหลุดจากกรรมฐานนี้พอดีครั้งนี้สนนากับท่านอยู่ทําให้ใจหลุดจากกรรมฐานเอื้อมมือไปโดยไม่ได้กําหนดท่านเลยกลับมาชักไปเอื้อมตเป็นบ่อยเลยค่ะพอลูกทุกคนนึกใหญ่ไปทางกาแฟ ลุกไปล้วู่นึกได้ที่เลยมันค่ใช่โยนิโศพิธันเดียวเงก็มานั่งไหนเราไปเป็นไรแล้วปู่โดนชนให้อภัยได้เองมาหลายรอบครั้งแต่จริงๆก็มาได้การให้เปลี่ยนว่าไงทีนี้อีกอย่างหนึ่งคำว่าพิสู่รู้ชัดใช่ไหม รู้ชัดตรงนี้ก็คือว่ากายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาสําเร็จเป็นียบดได้ก็ด้วยการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจุดจิตเหมือนเรือใบแล่นไปได้เพราะกําลังลมเอาเรือใบนีไปไปแล่นไปได้เพราะอะไรมีลมใช่ไหมลูกสอนแล่นไปได้เพราะกําลังของสายธนูใช่ไหมกรัชกายียบท คณาจะกลายเล่นไปได้เพราะวาโยธาและและมีจิตเห็นไหมทั้งธาตุลมการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเป็นไปได้ก็ธาตุลมภายในพัฒน์ในเรื่องนี้จริงไม่มีสัตว์อะไรนะที่ยืนเดินนั่งนอนด้วยอนุภาพของตนเองนอกจากอะไรนอกจากเหตุปัจจัยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนได้ก็สปัจจัยคือวายโยธาวาโยธาก็สายจิตเป็นสมุทฐานทีนี้ ความต่างกันของจิตต่ชาวโยธาก็เพราะคว า, า, ามต่างกันของจิตที่เคลื่อนไหวก็เพราะอะไรวาโยธา ต, ต่างกันถ้าวายโยกาวจรกําหนดรู้ซึ่งียาบทเป็นไปเนี่ยนะถ้าถามบอกว่าทําไมเนี่ยทําไมียาบทของคนยิงต่างกันเพราะวาโยธาตต่างกันเห็นไหมทำไมวายโยธาจึงต่างกันเพราะ จ, จิตที่คิดก็ต่างกันบางคนก็ไปนั่งบางคนก็ไปนอนบางคนก็ไปยืนบางคนก็ไปเดิน ดังนั้นคนต่างกันเนี่ยนะที่ยับว่าทําไมต่างวายโยธาต่างอาะทาไมวายโยธาต่างจิตจิตคิดต่างอ่ะทำไมจิตจิงคิดต่างอารมณ์ที่ปารลก็ต่างกันเข้าใจยังเข้าใจอย่างว่ามนุษย์มันต่างกันด้วยอาการแบบนี้ทีนี้อารมณ์อารมณ์ที่เป็นปัจจัยจะต่างเพราะอัิยาศัยของคนก็ต่างใช่ไหมเช่นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเห็นอารมณ์อย่างนี้ใจลุกเดินไปไม่เอาแล้ว อารมณ์อย่างนี้ไม่ประทับใจเขาไม่ไปหรอกแต่ถ้าได้อารมณ์ที่ประทับใจสิเช่นโอ้วันนี้มีการเปิดฟรีแล้วมีภาพยนตร์เต็มยุโอ้หไปอะยาบทเดินเป็นแถวไปหมดได้อย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วโอ้นี่ไหมอารมณ์นัจจัยเป็นปจะใจกัตัณหาของคนหมุนนี้เขาก็ไปด้วยนะทุตัณหาบ้างราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างทิฏฐิบ้างเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้โอ้เพราะยาบทสามเพราะวายโยธาสามวายโยธาเพกาจิต ต่างกันกเพราะจิตต่างกันจิตต่างกันเพราะอัธยาศัยต่างกันอัธยาศัยต่างกันเพราะการสั่งสมมาในดีต่างกันโอ้ โ, อโคตเป็นแบบนี้บอกงั้นเข้าใจได้วแต่นี้ต่อไปก็เริ่มปรองละไรเยอะแล้วแต่นี้ทําไมทําไมเราถึงดองวั ง, งคับคนไม่ได้เริ่มเห็นชัดแล้วแต่นี้เริ่มเห็นใช่ไหมยาบทต่างไฟโยธาต่างจิตตา่างแล้วก็อารมณ์อัธยาศัยต่างเมื่อรู้ชัดว่าเราเดิน ก็ยืนก็นั่งหรือนอนก็รู้ชัดว่าเรายืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเหล่านี้ยปัญหาก็คือว่าถ้าจะถามนะบอกว่าจิตเป็นสมูทฐานแกจิตแต่ชวาโยธาแม้ตัวจิตเองก็ต้องมีปัจจัยใช่ไหมมีหรือไม่มีถ้าไหนตรงเนี้บอกว่าียาบทเกิดขึ้นมาได้เพราะมีวายโยธาใช่ไหมเป็นปัจจัยแล้วแล้วาโยธาจะเกิดขึ้นได้เพราะมีจิตที่คิดเนี่ยเป็นปัจจัยใช่ไหม แล้วจิตล่ะมีปัจจัยไหมมีเห็นไหมจิตจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เลยไม่ใช่อยู่ๆเอ๊ะทําไมถึงเราเข้าใจทําไมถึงไม่เข้าใจเพราะมันมีปัจจัย น, นั่นเองจิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยไม่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยทีนี้ตัวการเวลาสถานที่บุคคลเป็นต้นเหล่าเนี้ยก็สามารถเป็นปัโตุบันนิสยปัจจัยได้ยกตัวอย่างเช่นอสถานที่ในการฟังธรรมเนี่ยถามว่า สถานที่เนี่ยเป็นประตูปนิสยาเป็นอุปนิสยาปัจัยการฟังธรรมใช่ไหมใช่ถ้าร้องสถานที่ไม่ดีสิการฟังธรรมที่ไม่รู้เรื่องเอาครับปิดแอรห้หมดปิดประตูให้หมดเผล อ, อ, อปิดไม้ด้วยจบเลยเดีเยวนี้เห็น <He ard S 1> ไหมว่าอุปนิสยปัจจัยสําคัญไหมล่ะสําคัญใช่ไหมทีนี้ปัญหาบางครั้งเนี่ยบางครั้งยกตัวอย่างบางคนไปประเทศอินเดียเนี่ยให้สังเกตเนะ ประตูปนิสยปัจจัยยังไม่ได้สะดวกสบายเลยนะนั่งรถเนี่ยรถก็แค่ตึงๆๆๆๆึงตึงต ง, ต ง, ต ง, ตงใช่ไหมฝุ่นก็เยอะสมมติเนี่ยไปโอ้โหบรรยากาศก็ไม่น่าไปเนี่ยแต่ทำไมใช่ไหมอะไรล่ะแต่ประตูปนิสยปัจจัยนั้นทำให้ใจของบุคคลที่มุ่งมั่นในพระธรรมคำสอนพระเจ้าได้กุศลเหตุไม่ดี แ, แต่ทำให้กุศลทำให้ปัจจัยไอตัวปัจิบันกัวผลดีได้อย่าลืมนะว่าเสียงด่ากลายเป็นปัจจัยแก่กุศลได้ อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นปัจจัยแก่กุศลได้เห็นไหมอันนี้หมายถึงคนมณฑิการเป็นนพระไปพิจารณาสรางศพสรางศพมีดีไหมโดยสภาพของมันไม่ดีเลยแต่ทําไมท่านยังปฐมชาตทุติยชาติยังปฐมชาติเป็นต้นให้เกิดขึ้นได้และทําอริยมรรคอริยผลให้เกิดได้ทั้งๆที่อารมณ์นั้นไม่ดีเห็นไหมว่าคําว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยมันได้เนี่ถ้าทางโลกก็คือว่าโจรผู้ร้ายทําให้ตํารวจมีขั้นขึ้นเร็วมาก จับได้จับโจรได้ทั้งทังที่เรื่องไม่ดีเลยเห็นไหมถึงบอกนะว่าเหตุปัจจัยบางอย่างตัวปัจจัยไม่ดีหรอกแต่ด้วยการมณติกการถูกเขาจเจริญกุศลได้ท <Okay. S 1> ่านคนที่จะไปเป้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ว่าตามทางเขาจะได้เจออารมณ์ที่น่าปรารถนาเสมอไปแต่ศรัทธาที่มุ่งมั่นในพระรัตนตรัยเป็นปัจจัยเขาพ้นทุกข์ได้ไอ้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ สำคัญตรงนี้เราก็จะเห็นคำว่าโยนิสโสมณัสสิการชัดเจนคือเพราะโยนิสโสมณัสิการจะเป็นปัจจัยแก่สติและบัญญัติในการเจริญียาบทบอบเป็นต้นเนี่ยนะถ้าขาดโยนิสโสมณัสสิการ์ไปแล้วเนี่ยเราจะอาศัยเกิปัจจัยภายนอกให้ดีตลอดเนี่ยไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยปัจจัยภายนอกไม่เอื้อมเลยหรอกบางครั้งก็ร้อนเกินไปบางครั้งก็หนาวเกินไปบางคนบุคคลที่เราอยู่ใกล้ด้วยก็บางคนก็พูดมากบางคนก็พูดน้อยใช่ไหมบางคนก็ไม่พูดเลยเนี่ย บางคนก็น่ารากักบางคนก็ไม่น่ารักอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ภายนอกมันเยอะแยะไปหมดแล้วแต่อธัธยาสัยว่าเราจะมองยังไงเราจะไข้ควรอย่างไ ร, ร, งไรสิ่งที่ไม่ดีคนเขาจะไข้ควรให้ดีแล้วเป็นปัจจัยใกี่การเจริญกุศลชั้นสูงได้ใช่ไหมเราศึกษาวระธรรมเนี่ยเริ่มจะเริ่มจ ะ, มจะ พ, พัฒนาใจตรงนี้ไปแล้วเช่นเราไปอยู่กับคนที่เจ็บป่วยเนี้ยอารมณ์ดีที่ไหนล่ะใช่ไหมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนะยเป็นอนิจฐารมเนะ พวกหมอป พ, พยาบาลทั้งหลายต้องอยู่คนไข้ล้อมโวยโวยตลอดเวลาเนี่ยอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าหมอก็ดีพยาบาลก็ดีหรือเกี่ยวกับคนที่อยู่กับคนเจ็บป่วยเป็นต้นไม่ดีถ้าขาดโยนิสโสมณิสิกานะได้แต่บาปแต่ถ้ามีโยนิสโสมณิษษการก็ไข้กวรโนเขาเป็นเช่นไรเราก็จะเป็นเช่นนั้นเป็นต้นอะไรนี้แล้วก็เจริญกุศลได้ีถ้าเข้าใจคําสอนเนี่ยอารมณ์ไม่ดีก็สามารถแปลสภาพให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็เจริญมรรมรคนเป็นต้นได้เป็นต้น อันนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะใคร่ควรหรือพิจารณาได้ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนหรือไม่ถ้าถูกต้องก็เป็นปัจจัยการเฉริมกุศลประการต่อมาก็คือว่าไม่มีอะไรเป็นของตนอยู่ไหมยาบทต่างๆที่เข้าใจผิดมานานว่าเป็นของเราแท้ที่จริงก็หาว่ามีเราไม่อยาบทที่เราเคยหลงว่าเป็นของเราแท้ แ, ทแต่พอใคร่ควรพิ จ, จารณากับสิ่งอื่นๆก็ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นจึงไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระอะไรเนะี่ยถามว่า แล้วยังจะไปมีอุปาทานในยาบทนั้นว่าเป็นของเราอีกทีนี้เป็นการหลงผิดเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนอะไรก็เหมือนกับหุ่นกระบอกอย่างที่โยมว่าหุ่นกระบอกเนี่ยต้องอาศัยอะไรอาศัยสายชักต้องอาศัยคนชักคนคนชักอาศัยอะไรไม่ใช่อาศัยดนตรีไม่เคยดูหุ่นกระบอกเนี่ยใช่ไหมไม่เคยไอคนชักเนี่ยเขามีดนตรีนะเขาชักไปตามเสียงดนตรี ใช่ไหมมีดนตรีมีคนชักมีสายชักมีตัวหุ่นใช่ไม่มอันนี้ อ, อุปมาหน่อยดีเนี้ อ, อุปมาหน่อยดีตัวหุ่นเหมือนอะไรเนี่ยมีมีตัวหุ่นหุ่นก็บอกเคลื่อนไหวเร็วบ้างช้าบ้างไปตามเสียงดนตรีไหมแม้ดนตรีจะบรรเคขึ้นได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยอื่นเหมือนกันชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันนะประกอบไปด้วยยาบทชก็โลดแล่นเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของกิเลสต่างๆ ต้งบอกว่าคนไอตัวหุ่นเนี่ยก็โลดแลนไปใช่ไหมโลดแลนไปล้ำท่านั้นบางท่านี้บ้างไอตัวหุ่นเนี่ยที่มันล้ำท่านั้นท่านี้ได้มีสายชักอยู่ไอสายชักก็สายคนชักไอคนชักก็มีดนตรีฟังดนตรีไปก็ชักไปตามสายดนตรีนี่เหมือนกันยาบทเนี่ยรูปกายเนี่ยรูปกายเดี๋ยวก็ไปนั่งรูปกายเดี๋ยวก็ไปนอนรูปกายเดี๋ยวก็ไปเดินรูปกายเดี๋ยวก็ไปยืนใช่ไหมก็เหมือนเต้นแลนเต้นกาอยู่วันวันอยู่มีอะไรแล้วะหุ่นก็บอกเนี่ย มันมีอะไรชักอยู่ละจิตทะเยอทะยานไอ้ธาตุลมภายในอใช่ไหมมีสายชักอยู่ไอ้สายชักมันมีคนชักคือจิตเนี่ยเหมือนจิตเนี่ยไอ้คนชักมันมีเสียงดนตรีก็เหมือนอารมณ์ทั้งหลายอัตยาสัยต่างๆมันเป็นอย่างนี้นะเห็นนหเห็นภาพไหมตรเนี้มันจะได้โอ้โหโลดแล่นไปตามตัว เ, เตียงท่าเดี๋ยวก็ไปเต้นเป็นอย่างงั้นเดี๋ยวก็ไปเต้นเป็นอย่างนี้ดูไม่ต่างอะไรแต่หุ่นก็บอกเราดีๆนี่แหละใช่ไหมเหมือนหุ่นก็บอกเราดีๆนี่แหละเดี๋ยวก็ไปล้างจานแล้ว เดี๋ยวก็คอ่อยจอดรับคนนั้นมีคณะนี้มาเอาแล้วเต้นแล้งเต้นกาไปเนื้อจะมาเห็นได้อยังเห็นตัวหุ่นมันมันมนี้มันมีสายชักอยู่มีมีลมอยู่ภายในใช่ไหมแล้วมีจิตอยู่เป็นตัววงการอยู่มีคนชักอยู่นี่แล้วก็มีเสียงบอกไมาแล้วบางีบางทีก็มีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาเกี่ยวข้องมาไปแล้วไปทํางานก็ไปไขว่ควรานไปแล้วต่อไปจะได้เห็นโอ้นี่ชีวิตเป็นอย่างนี้จริงจริง เห็นปัจจัยของเขาหร้อยังจะเนี้ยว่าเป็นอย่างเนี้ยน่าเบื่ออย่างสังสารวัฏแล้วมันเคยโดนมันเป็นมาอย่างเนี้ยในสังสารวัฏแต่ในอดีตผ่านมาที่ยาวนานกําหนดเบื้องต้นไม่เจอมันก็ถูกอย่างเนี้ยมันก็เหมือนหุ่นกระบอกมีสายชักมีคนชักมีเสียงดนตรีก็มียาบทมีรูปกายที่เป็นยาบทมีวาโยธาตมีกิตที่คิดมีอารมณ์เป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นปัจจัยทําให้มีการเดินเดินนั่งนอนเป็นต้นเหล่านี้ในสังสารวัฏในอดีตที่ผ่านมายาวนานก็เป็นอย่างนี้ ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้และในอนาคตเราก็จะไปยืนเดินนั่งนอนเพื่อจะทํากรรมดีกรรมชั่วกันอย่างนี้สังสารวัตที่มันไม่สิ้นสุดอย่างนี้เพราะเราละสัตบุคคลเราถอนอัตตานุทธิถีเป็นต้นไม่ได้ถอนความเป็นสัตวบุคคลไม่ได้เพราะเราไม่ได้เจริญสติปัฏฐานมาเป็นเวลายาวนานในสังสารวัตรมันจึงไม่รอบรู้ตามความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมานั่งฟังในลำบากอย่างนี้ใช่ไหมนี่เพราะเราที่เราไม่ได้เจริญไม่ได้อบรมมาเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้ท่านบอกพิจารณาอย่างนี้ก็น่าจะเบื่อหน่ายใช่ไหม ควรจะคลายกำหนดพระเจ้าถึงบอกว่าเพียงพอแล้วที่จะเบื่อนหน่ายเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดที่พระเจ้าบอกว่าดูก่อนที่คือทั้งหลายว่างั้นนะเนี่ยบอกว่าเธอทั้งหลายจะเห็นรู ป, ปากายของตถ า, าคตก็ต่อเมื่อตถ า, าคตยังทรงดำรงชีวิตอยู่ถ้าเหตปัจจัยหมายถึงว่าถ้าจุดติจิตเกิดแล้วเนี่ยสักโลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์เทวดามารผมจะไม่มีใครเห็นรู ป, ปากายของต า, าคตอีกแล้วไม่มีใครเห็นขันห้าของตถาขกอีกแล้ว นะสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้ว่าแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วในอดีตดับไปหมดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าในปัจจุบันสาวกของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเดี๋ยวก็จะแตกดับที่จะมาตรัสในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้นแล้วท่านก็บอกเพียงพอแล้วที่จะเบือนานในสังสารวัฏนี้เธอท่องเที่ยวกันมายาวนานแล้วถ้าจะเอากระดูกของเธอกร อ, อ, องในโลกใบ น, นี้ก็เหมือนภูเขาอวฬุพละสูงแบบนั้นน่ะว่างั้นเลย ฉะ น, นที่เรามาเหยียบย่าอะไรต่างๆอะไรนี้ก็คือมาเหยียบย่ำกองกระดูกของพวกเราเอ ง, เองเนี่แหละที่เป็นดินน้ำปายลมที่อยู่ในโลกภายนอกที่มาสร้างเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรต่างๆแท้ที่จริงก็คือกระดูกเก่าๆของเราทั้งนั้นเลยที่มาสร้างเป็สิ่งเหล่านี้ออกมา เ, เพียงพอแล้วเธอเธอคนเบื่อหน่ายก็ได้แล้วแล้วตายครับผมทับผมในสังสารวัฏนม่จนยาวนานหาที่สุดไม่ได้แล้ววะแม่แล้วยังไม่คลายกําหนักกันอีกเลยนี่ยังยังไม่ควรยังไม่เบื่อหน่ายเลยในําลองอย่างนี้ กลับมาที่เรามาชื่นชมก็ไม่ชื่นชมกองกระดูกตัวเองนะแต่มาผลิตเปนแก้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าดินน้ําไบลมจะเป็นแก้วนะอันนี้เป็นไม้นะนี่เป็นเสื้อผ้านะอันนี้เป็นผมขนเล็บฟันหนังในภายในนั้นภายนอกนะแท้ที่จริงก็คือมายินดีกับกองกระดูกนั่นแหละฟังนั่นนะไม่ยินดีกับกองกระดูกนี่มันยาวนานมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่มาตายทับผมตายทับถ ม, บมแล้วก็ออกจากสงสารวัฒไม่ได้เพราะไม่รู้ตามควของจริงในเดียบท น, นี่เป็นอย่างนี้กายของเธอได้บอกว่าในพทะเจน์ที่บอกว่า พุทธพจ์เปิดไปอีกนาทำว่าอะไรลูกสอนเป็นต้นเลยหอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอธิบายบาเธอตั้งใจไว้ด้วยประการใดอะ่ะก็รู้ชัดประการนั้นน่ะบาลี